หาใครผู้ใดจะเปรียบไม่ได้สมเด็จพระบรมไตรยโล ก, ก น, นาถประพาทไว้ดังนี้นานมาพระกวัตตาพระนิตังกลับมีพระพุทธดีการตรัสพิกขเวดูรานะภิกษุสงฆ์ทั้งปวงอปปาพาทานังแต่บรรดาสาวกของเราที่มีอาพาธน้อยนั้นพระพากุลเถระนี้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 เป็นเอตะทัฆะในพระปิดกนั้นเหมือนพระอุบาลีนั้นเป็นเอตะทัะฝ่ายพระวิไนพระมหากสบยิ่งในพระปรมตณพระอนุเถระเจ้ายิ่งในพระสูตรอันหนึ่งว่าโดยฝ่ายวิปัสนาธุระเล่าพระโยคาวะจอนเจ้าจำพวกใดประเสริฐในจงกรมและอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอน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 ใช่จะยกเอตะทะคะเป็นยิ่งแต่พระพากุลเถระผู้เดียวหาไม่ได้ยกเอตะทะคะนั้นมากด้วยกันมหาราชขอถวายพระพรพระราชสมภารเจา้าพักขวาปณะนะแม้อันว่าสมเด็จพระพักควันตะบพิจเจ้าอนุตตโรสีเลนะสมาธนายิ่งกว่าสัพพเทวามนุษย์นิกรอินพรมอมเรต ด้วยคุณนวิเศษคือศีลสมาธิและพระปัญญาและวิมุตติและพระวิมุตติยานัทสนะและพระทศพลยานเวสารัชยานอัฐาระษธรรม18ปประการด้วยพระพุทธภิสัยอนุตโตโรไม่มีใครเทียมถึงยอดยิ่งอยู่แต่สมเด็จพระสัพพันย์อยู่ผู้เดียวมหาราชขอถวายพระพ ร, พรบวพิษพระราชสมภาร